บทที่33คู่มือนักฆ่าตัวตายถ้าเธอคุยกับพี่แตรก็คุยต่อไปสิไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุยมาชั่วโมงแล้วกำลังเบื่อเบื่ออยู่พอดีน้ำเสียงของลานดาวเหนื่อยนายพอหล่อนรู้ว่าเป็นพี่สาวโทรมาก็บอกเลิกสายกับ แ, แฟนหนุ่ม ง, ง่ายๆทันทีมีอะไรหรือเปล่าทำไมเสียงไม่เหมือนคนเมารักอย่างเคยลานดาวหัวรเราะเฉยลักษณะเป็นยังไงคะเสียงแบบคนเมารัก ก็สดใสปิ๊งปังเต็มไปด้วยชีวิตชีวาทําให้คนฟังพลอยสําราญบานใจไปด้วยต่อให้ใครกําลังเศร้าก็มอมเขาให้เปลี่ยนมาหัวเราะร่าตามกันได้ขนาดนั้นเออลันดาวคิดคําโต้ตอบแต่หัวไม่แล่นจึงเงียบเสียงไปครู่จนมาวันถาต้องสักจริงจังมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะเปล่าน้องสาวลากเสียงยาวก็จะหาเรื่องคุยจ๊ะเก่งไหมล่ะออกกําลังจะลดน้ําหนักลงมาเท่าเดิมแล้วหลังจากโดนพี่เอินทักแค่อาทิตย์กว่า นี่แหละเขาเรียกทำดีได้ดีที่หลังจะทำเรื่องชั่วร้ายด้วยการนั่ ง, น, ง น, นันอนๆอนบริโภคข้าวและนำไปวันวนอีกละ่ะล้านดาวยิ้มซึมพี่เอิญนี่เก่งเนอะเพิ่งอยากกับพี่อ่องแท้ๆไม่เห็นวี่แววเศร้าสะ ก, กิดส่วนใหญ่เขาส้มซานเหมือนอาบน้ำตาต่างน้ำก๊อกจนเปียกโชคกันนานกว่าจะฟื้นไข้หย่าอย่างน้าสาวจ๊ะเคยโทรมาเป่าปีใส่หูแม่อยู่ร่วมครึ่งปีจนแม่บ่นอุบพี่เอิญไม่อยากร้องไห้ฟูมไฟเหมือนชาวบ้านเขาเลยใครบอกไม่ร้อง ก่อนนอนบางทีก็มีเหมือนกันจ้ะแต่คุยกับเธอเรื่องอะไรจะร้องให้ได้ยินเดี๋ยวโดนหัวเราะเยาะเอาลั่นดาวฟังเสียงอีกฝ่ายแล้วชุ่มชื่นขึ้นมาทีละน้อยจากสัมผัสทางใจหล่อนคิดว่าคุณภาพจิตของมาวันทาสูงส่งขึ้นมากซุ้มเสียงมีประกายสดใสของคนที่พบกับความเบิกบานอันแท้จริงในภายในมีทั้งความเบาความสุขสว่างและความนิ่มนวลในกระแสจิตยิ่งกว่าสมัยรู้จักกันใหม่ๆแทบเป็นคนละคนที่ว่าร้องก่อนนอนนี่ร้องให้เสียใจหรือดีใจคะ มาวันทาหัวเราะเป็นกลางวานร้องไห้เสียใจเสยะคิดถึงพี่อ่องจะตายล้านดาวย่นคิวเล็กน้อยน้ำเสียงของมาวันทาปรีเปรมกระเซมสารเหมือนคนเพิ่งถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงกับคำสารภาพแบบคนเป็นแม่ม่ายหล่อนว่ามาวันทาดีใจที่พบกับอิสรภาพมากกว่าดีใจที่เห็นจิตตนเองไม่ยึดไม่ผูกไม่เศร้าร้องไห้เสียใจคิดถึงจะตายแล้วทำไมเสียงเหมือนปลากระดีได้น้ำอย่างนั้นคะ จ้าขนลุกเลยนะเนี่ยประสาทกลับหรือเปล่ามาวันทางหัวเราะยาวอีกสงสัยเพราะมีความสุขที่ได้คุยกับเธอนะ่ะอย่าคิดมากพี่ไม่ได้โกหกหรอกบางคืนยังร้องไห้อยู่จริงๆแบบกระซิบกระซิกหนะไม่ถึงกับร้องโห่ตาบัวเหมือนคืนแรกแบบว่าพองเงาขึ้นมาก็ลงนั่งสมาธิทันทีหรือไม่ก็โทรมาฮัลโหลเธอนี่แหละลานดาวถอนใจเฮือกเฮ้ออิจฉาจังอุย้ยคนมีแฟนมาอิจฉาคนถูกทิ้งได้ไงรูปแบบข้างนอกมันแค่เปลือกคะ่ะ ใครมีความสุขจริงคนนั้นแหละที่น่าอิจฉาเพราะลานดาวเหมือนเห็นมาวันทาส่งยิ้มกว้างฉายออกมาทางกระบอกโทรศัพท์หล่อนกำลังนอนนึกถึงใบหน้าพี่สาวอยู่บนเตียงเปรียบเทียบแล้วรู้สึกถึงความไม่เอาไหนของตนเองที่พูดเสียงบูบี้ตลอดจึงปรับเสียใหม่ให้แจ่มขึ้นพี่ออกมาหาบ้างหรือเปล่าคะก็มาแต่พี่จะห้ามห้ามไว้กลัวเดี๋ยวอีกคนรู้เข้าจะยุ่งคนสมัยนี้หน้าด้านกันจังช่างเขาเธอกรรมของเขา ปั้นจิตปั้นใจให้ดูดีได้เดี๋ยวเดียวล้านดาวก็สลดซึมลงอีกส่งสารพี่สาวแต่ฝ่ายนั้นเหมือนไม่มีความเศร้าให้ควรส่งสารสักนิดเลยเปลี่ยนมาส่งสารตัวเองแทนชีวิตจริงนี่มันยากกว่าตอนเอามือนหนุนหัวนอนฝันกลางวันเยอะเลยเนอะพี่เอินมาวันทาชงักคราวนี้ถามแบบเกงเหตุเป็นไงทำงานให้คุณพ่อมาครบสองอาทิตย์สนุกไหมพอถูกจี้ตรงจุดล้านดาวเลยยอมคลายความในใจ กำลังจะต้องข อ, อยาคลายเครียดจากพี่ตรายมากินนะพี่เอินทำไมโลกมันน่าเบื่ออย่างนี้ก็ไม่รู้เธอน่าเดี๋ยวก็ชินธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ของบิดาลานดาวนับว่าเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการนับเริ่มตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อ20ปีก่อนด้วยแนวคิดของผู้บริหารที่มีหัวก้าวหน้าทำของสไตล์หรูปแปลกดูมีระดับทุกชิ้นกระทั่งสามารถส่งออกนอกได้สามารถยืนหยัดท้ามรสุมอย่างสบายแม้ในช่วงเศรษฐกิจขาลงของไทย มาวันทารับรู้การตัดสินใจไม่เข้าเส้นทางสู่ดวงดาวของน้องสาวท่ามกลางความชฉนชงายของใครต่อใครคนที่ค่ายเพลงหัวเสียกันอย่างหนักเพราะมั่นใจว่าแม่คนเก่งจะต้องมาแน่จึงเตรียมฟอร์มงานไว้แต่เนิ่นๆนแว่าเมื่อเจ้าตัวเลือกอย่างนั้นใครเล่าจะห้ามได้โวยวายอย่างไรก็ไร้ผลในเมื่อยังไม่เซ็นสัญญากันอันที่จริงคุณพ่อของลันดาวก็ยินดีมิใช่น้อยเมื่อจูจ่ๆลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนแจ้งความจำงจะมาช่วยงานเพราะไม่เคยมีรางบอกเหตุมาก่อนเลย จะคงทนได้อีกไม่นานล้านดาวปเปลยซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจแต่อย่างใดสำหรับคนรับฟังไหนคุณพ่อให้ทำอะไรบ้างชวนคุยอย่างยอมเป็นที่ระบายของน้องก็เดินไปมั่วๆแหละพี่เอินเกิดเป็นลูกพ่อ21ปีจะไม่เคยซึมซับงานเฟอร์นิเจอร์มาสักนิดมันไม่มีหัวเห็นอะไรก็ไม่เก็ตไม่อยากจับป้องไปหมดจะเป็นงานดีไซน์จะเป็นผู้ช่วยพ่อจะเป็นคนคุมออฟฟิศ แค่ศึกษางานอย่างเดียวดูเอกสารเป็นปึกๆ ก, ก็แทบตาปลิ้นลิ้นจุกปากแล้วแพทย์หญิงหัวเราอหืดๆ ก, ก่อนผ่อนลมหายใจยืดยาวพี่เห็นที่จะเขียนตอบน้องโบเอเมื่อคืนแล้วละ่ะขอบอกว่าประทับใจมากนะทําไมไม่เห็นเคยเล่าให้พี่ฟังเลยว่าอาจารย์ทำนายว่ายังไงมัง่งเล่าแล้วในห้องกระจกไงที่พี่เอิญหาว่าหลงตัวน่ะจําได้แต่เธอไม่บอกนี่ว่าถ้าดังจะต้องเสียพี่แตรไปก็วันนั้นพี่เอิญเอาแต่ว่าว่าว่าเลยลืมหรือหมดอารมณ์บอก อ, อแสดงว่าเก็บกฎอยู่คนเดียวมานานนั่นแหละเมื่อคืนพอเจอคำถามของยายโบเอเลยหลุดปากเล่าไปหมดไม่รู้เป็นไงปกติไม่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวเลยนะถึงในบอกดจะไม่มีใครรู้จักเราก็เถอะพักนี้เผลอๆทำอะไรที่ไม่เคยทำไปเยอะเขียนแล้วสบายใจขึ้นไหมล่ะยิ่งกลุ้มนะสิพี่เอิญความรู้สึกมันครึ้งๆเหมือนหลอกตัวเองเหมือนหลอกคนอื่นเนี่ยถามตัวเองเลยว่าตกลงเรายอมแลกอนาคตกับผู้ชายคนหนึ่ง เพราะอะไรกันแน่ระหว่างรักเขามากเกินทนกับการสูญเสียหรือว่าเพราะกลัวกับการอยู่อย่างเงียบเหงาโดยไม่เจอใครถูกใจไปจนกว่าจะถึงอายุ40ถ้าเป็นเมื่อก่อนพอมาวันทาเห็นหล่อนเกิดปัญหาลานดาวจะสัมผัสได้ถึงกระแสความห่วงใหญ่และปล่อยเคร่งเครียดเป็นเดือดเป็นร้อนตามไปด้วยแต่มาบัดนี้เห็นชัดว่าจิตของพี่สาวยังสว่างแพรวดังเดิมนี่เป็นอีกการเปลี่ยนแปลงหนึ่งของมาวันทาเท่าที่เห็นจ้ากับพี่ไตร์อย่างใกล้ชิดมาระยะหนึ่งพี่ว่าเธอรักเขาจริงนะ อันนี้เป็นความจริงข้อหนึ่งแต่การตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิตคนเรามักไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเดียวๆบางทีที่เราตัดสินใจไปมันอาจเพราะมีตัวแปรมากมายรุมล้อมและในที่สุดก็บีบคันให้เกิดการเลือกอย่างที่เลือกลานดาวงเงียบไปพักใหญ่ก่อนถามเมอร์เมอร์จะรักพี่แตรหรอเอาอะไรกันเธอนี่อุตส่าห์ตั้งตนเป็นป ร, รมาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิยามความรักทําให้ใครต่อใครเขาติดใจคารมกันตริมไงมาสงสัยตัวเองอย่างนี้ล่ะ เขาเรียกเก่งแต่ปากไงลั่นดาวตอบเสียงอ่อยที่จะาสงสัยตัวเองอาจเป็นเพราะจ้กเกรงเกินไปก็ได้อยากได้ชื่อว่ารักเขาสุดจิตสุดใจเลยทําทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ตัวเองรู้ไหมจะพยายามจูนจิตให้เสมอเขาจะได้อยู่ด้วยกันยืดยืดถึงขนาดเก็บมโนภาพเขาไว้ในหัวนึกว่าสถานการณ์อย่างนี้เขาจะพูดโต้ตอบยังไงจะเลือกหันซ้ายหรือหันขวาจนชักเสียความเป็นตัวของตัวเองเข้าไปทุกทีมาวันทาฟังแล้วถึงกับสายหน้าพึมพำ เป็นเอามากอย่างนี้เกินไปจริงๆแหละจ๊ะในที่สุดเธออาจต้องทิ้งเขาเพราะอ่อนล้าจากความบ้ารักจนผิดธรรมชาติของตัวนี่เองคนบ้ารักนิ่งเงียบไม่เถียงสักแอะยังอยู่หรือเปล่าลานดาวเงียบนานจนมาวันทาต้องถามหาค่ะตอบแล้วถามด้วยเสียงเป็นกังวลจะทำยังไงดีล่ะพี่เอิญในเมื่อเพลียเพราะทุ่มเกินตัวอย่างนี้ถามใจอีกทีเธอรักพี่แตรน้อยลงไหม คนถูกถามเม้มปากเป็นวินาทีที่รู้สึกว่าตัวเองเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจความรักและเข้าใจตนเองมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาเป็นกองขนาดกล้ายอมรับว่าน้อยลงคราวนี้มาวันทาเป็นฝ่ายเงียบบ้างเงียบนานจนลานดาวต้องเป็นฝ่ายพูดต่อใจจริงจ้าอยากตอบยายโบเอว่าไงรู้ไหมพี่เอิญจ้ะนึกถึงคําของพระพุทธองค์ที่ท่านตรัสว่าคนเรามีรักร้อยก็นับว่าทุกร้อยมีรักสิบก็นับว่าทุกสิบมีรักหนึ่งก็นับว่าทุกหนึ่ง หากไม่มีรักเลยก็แปลว่าไม่ต้องมีทุกข์เพราะรักเลยเช่นกันสรุปคือความรักเป็นแค่รูปแบบหนึ่งของความทุกข์เท่านั้นต่อให้รักกันยืดยาวจนแก่เท่าวันหนึ่งก็ต้องทุกข์ใหญ่หลวงเพราะความพัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักอยู่ดีมาวันทาอึ้งอยู่พักหนึ่งด้วยความคาดไม่ถึงว่าจะได้ยินลานดาวกล่าวเช่นนั้นเดี๋ยวนี้หันมาสนใจด้วยหรอว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างไรบ้างอ่านหนังสือที่พี่เอินให้มานั่นแหละอ่านด้วยนึกว่าเอาไปดองไว้เฉยเฉยเสียอีก จ๊ะก็ฝ่ายดีเป็นเหมือนกันเลยนาเหนื่อยจังทําไงดีหล่ะพี่เอินลานดาวย้ําคําถามเดิมสแสดงว่าต้องการคําแนะนําจริงๆงั้นขอถามอีกคําเธอยังกลัวจะเสียเขาไปมากเหมือนเก่าอีกไหมคนเป็นน้องสายหน้ากับโทรศัพท์อย่างอัดอัน้นไม่รู้เหมือนกันค่ะรู้แต่ว่าทุกวันนี้จ๊ะกําลังสู้กับอะไรบางอย่างที่ใหญ่โตเหลือเกินทุกคนเหมือนมีแผนผังของตัวเองอยู่จริงๆเราอาจฝืนทนภาคเพียนปรับหรือโครงสร้างผังนั้นได้แต่ ใครจะใจแข็งสู้จนถึงที่สุดเท่านั้นเอาอย่างนี้ซีเธอทําใจสบายสบายดีไหมเลิกเกรงเลิกฝืนตัวเองเลิกกลัวเสียเขาไปหันมาทําในสิ่งที่ถนัดปล่อยปล่อยวางๆงบ้างคิดว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเธอเป็นของเธออย่างนี้เขาเป็นของเขาอย่างนั้นถ้ายังรักกันอยู่ก็จะได้มีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่นี่เห็นชัดๆว่าถ้าเธอฝืนแทบเหมือนต้องกลืนเลือดตัวเองต่อให้ได้เขาไว้จนตายระหว่างนั้นก็คงไม่เป็นสุขเอาเลย เมื่อมีคนอื่นมาเขี่ยผงในตาให้ลานดาวก็ตาสว่างขึ้นเล็กน้อยหน้าอนาถที่คนเราไม่อาจเห็นว่าผงในตัวเองคาอยู่ตรงไหนรู้แต่แสบคันเหลือจะกล่าวแล้วทำตามถนัดของจ้าแปลว่าจ้าควรยอมเป็นนักร้องปลุกระดมมวลชนให้เยียวกันสุดฤทธิ์ทาให้พวกเขามาหลงไหลคลั่งใครจ๊ะจนงอหัวไม่ขึ้นใช่ไหมคะก็อย่าไปตั้งความคิดไว้อย่างนั้นสิมาวันทาตอบอ้อมแอมดนตรีและการบันเทิงเป็นอาชีพสุจริตที่ทุกคนยอมรับ ถ้าเธอทำแนวเพลงสร้างสรรค์แต่งเนื้อแต่งตัวดีหน่อยคนเขาคงคิดกันในทางมงคลได้ล้านดาวยิ้มเบะคงมีคนสนใจซื้อกันน่าดูละ่ะจะให้จ่าออกเทปธรรมะหรอพี่เอิญโลกเขาไปถึงไหนกันแล้วถ้าคิดจะทำงานมงคลให้ได้บุญได้กุศลจะไปช่วยปอเตกตึงเก็บศพเลยดีกว่าแล้วจะทำหรือไม่ทำดนตรีน่ะสรุปคือถึงต้องเลิกกับพี่แตร ى, ยังไงก็ไม่เป็นศิลปินแล้วคนเอาใจยากหัวระแฮ่เจ๊ น้องสาว拉เสียงยาวหนูสารภาพตามตรงนะยังไม่ค่อยรู้จักตัวเองหรอกถ้าต้องห่างห่างจนกระทั่งพี่แตราหายจากชีวิตตลอดไปวันนั้นจะทำใจได้แค่ไหนยังไม่รู้เลยขอเป็นว่าอย่าเสี่ยงดีกว่าว่าแล้วที่จ้ากเก่งสารพัดนี่เอามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างหาเล่นเปีย โ, โนสร้างชื่อเสียงเป็นเรื่องเป็นราวก็กลัวการไปอยู่ต่างประเทศเป็นครูสอนเปีย โ, โนก็กลัวอุดร์คลั่นซ้อมอยู่กับบ้านเปล่าๆก็พานจะกลายเป็นใหญ่อ้วนขี้เบื่อเข้าให้อีกค่ะยอมรับ จ้าหมดไฟแล้วอย่าว่าแต่ซ้อมเล่นหรือสอนคนเลยแค่เห็นเฉยเฉก็จะอ้วกแล้วเวรกรรมมาวันทาบ่นดังๆลันดาวยิ้มมุมปากในที่สุดก็จับได้ว่ากระแสจิตของพี่สาวขุนมัวลงแปลว่าถ้าขัดใจอะไรนานๆยังโมโหเป็นอยู่แต่พอจับกระแสขุนมัวนั้นได้เพียงสองสามวินาทีก็พบว่ามันจางหายสลายตัวอย่างรวดเร็วเหมือนสายหมอกต้องแสงอรุณสัมผัสทางจิตทําให้ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆบางคนแม้ขุนเคืองก็ไร้แรงอัดของความโกรธ ไรความน่าระขายของความเกลียดคล้ายสายน้ําใสที่ถูกเจือสีคลนตมเพียงชั่วครู่หนึ่งแล้วกลับใสสนิทดังเดิมโดยกระแสน้ํำยังไหลนิ่งอยู่ตลอดเวลาไม่มีความกระเพื่อมวูบเป็นคลื่นลูกโตด้วยแรงดันจากใต้น้ําแต่อย่างใดใครอิจฉาเธอก็อิจฉาไปเถอะพี่คนหนึ่งละ่ะเห็นชีวิตเธอแล้วกลุ้มแทนไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยพูดจากลับไปกลับมาเหมือนคนไข้จิตเวทลานดาวหัวรเรถแจ่มใสเต็มเสียงออกมาเป็นครั้งแรก เพราะเห็นว่าจิตของคนที่รักกันนั้นแม้อยู่ในอารมณ์อยากบีบคออีกฝ่ายให้ลิ้นจุกปากก็ไร้วี่แววมุ่งร้ายหรือคิดสาบแช่งให้อับปางแม้แต่น้อยยังมีแต่ความปรารถนาดียืนพื้นอยู่เป็นนิดพี่เอิญขาจะเป็นคนไข้ของพี่เอิญมาแต่ต้นแล้วไม่รู้หรอปัญหาในชีวิตจ๊ะคือเบื่อง่ายคนอื่นทําอะไรซ้ำซากแล้วค่อยเบื่อแต่จ๊ะทําเรื่องเซ็งทีเดียวเหมือนมีไข่ปลาวานมาจุก อ, อกอีกอย่างคือไม่มีภูมิต้านทานทุกทุกเท่ามดกัดของคนอื่นสําหรับจ๊ะจะราราวช้างกระทึบ มาวันทาฟังคําพูดอันก่อมโนภาพแจ่มชัดนั้นแล้วอดหัวเราะไม่ได้รู้ตัวไวซะความขี้เบื่อของเธอน่ะทําให้เธอพลอยเป็นคนหน้าเบื่อไปด้วยตอนอยู่ห่างๆอาจเห็นเธอหน้าพิศวัดชวนให้หลงฟันหาเสีอเหลือเกินแต่เข้าใกล้แล้วจะรู้ความจริงแล้วพี่เอิญเบื่อจ้าแล้วเหรอขาลานดาวทําเสียงอ้อนเบื่อแต่จ้ายังไม่เบื่อพี่เอิญหรอกนะแสดงว่าไปไปมามพี่เอิญอาจเป็นรักแท้เพียงหนึ่งเดียวในชีวิตจ้าก็ได้ เพราะเวลากับเหตุการณ์ไหนๆก็ไม่เคยเปลี่ยนความรู้สึกแสนดีต่อพี่เอิญไปเลยแล้วคนพูดก็ทำตาลอยอยู่ฝ่ายเดียวพี่เอิญรู้ไหมเฉพาะโรคเบื่อง่ายนี่ก็ทำให้คนเราอยากฆ่าตัวตายได้แล้วบ่อยครั้งที่จะงงตัวเองแบบสุดๆตอนเจอหนุ่มบางคนที่หนึกปิงขึ้นมาแรงๆเหมือนติดอยู่ในหัวใจเราแน่นนาวันๆรู้สึกแ ป, ปลาบว่าหวัมนได้ตลอดคล้ายกับถ้าไม่ได้คนนี้มาอยู่ใกล้แล้วอดอยากปากแห้งไม่ทราบจะมีชีวิตต่อได้ยังไง แต่พอเห็นคำพูดท่าทางหรืออะไรห่วยๆในตัวเขาที่ทําให้สะดุ้งหนเดียวความคิดถึงความวาวหวามความอะไรใยดีทั้งหลายมันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้พยายามเค้นให้คิดมันก็ไม่คิดใจไม่เอาเลยเหมือนโทรศัพท์หลุดแล้วต่อใหม่ไม่ติดเพราะสายถูกตัดถาวรยังไงยังงั้นบ่อยเข้าฉักทอไม่อยากมีแฟนกับเขาแล้วอยู่เป็นโสดดีกว่าอืมเบื่อง่ายไม่อยากมีไม่อยากเอาจะขออยู่เป็นโสดแต่วิ่งพลานควานหาแทบพลิกแผ่นดินเนี่ยนะ อย่าหมั่นสร้างความขัดแย้งขึ้นในตัวเองนักเลยทุกใหญ่มันจะถามหาเอาเป็นว่าพี่ตัดสินให้พี่ตแตรไม่เหมือนที่ผ่านผ่านมาหลอกเขาสมเป็นเจ้าชายในฝันของเธอเธอสามารถถามหาความเลิอดเลือทุกแง่มุมได้จากเขาถึงมีข้อด้อยบ้างตามธรรมดามนุษย์ที่ไม่มีใครสมบูรณ์แบบก็จะไม่ใช่ข้อด้อยประเภทที่ทําให้ต้องสะดุง้งแล้วสิ้นสวัสดิ์ปุุปรับอย่างคนก่อนๆแต่ที่ควรระวังคือกา ร, รวิบากจากวิธีคิดของเธอเองลานดาวรับฟังอย่างสงบ แถมรับคำโดยดีเรากับกลายเป็นคนหัวอ่อนไปได้ค่ะผู้หญิงอื่นไม่มั่นใจในความสวยรวยเด่นของตัวเองกลัวลึกๆว่าจะมีคนเหนือกว่ามาแย่งแฟนหรือนานไปเขาจะเบื่อแล้วจากไปชิมรถใหม่การพยายามรักษาคนรักไว้จึงมาในรูปของความหึงหวงไร้เหตุผลทำให้ผู้ชายรู้สึกเหมือนมีมารร้ายคอยตามขี่คอไปทุกขนทุกแข่งพอทนถูกขี่คอเอาไฟจี้หลังไม่ไหวก็ต้องขอเลิก ส่วนเธอเป็นตรงข้ามเธอไม่มีความหึงหวงเพราะตระหนักว่าตัวเองเหนือกว่าผู้หญิงทั้งแผ่นดินอยู่แล้วเธอรู้ใครๆก็รู้พอมีไอเดียที่จะรักษาเขาไว้ด้วยการทำความดีชนะใจกันก็ทุ่มสุดตัวไปอีกทางเขาอาจลงเธอจนเสียสติฟันเฟือนเป็นบ้าเป็นหลังยิ่งกว่าโดนน้ำมันพลายแต่เธอเองนั่นแหละจะขาดใจตายกลางทางด้วยความเหนื่อยอ่อนลานดาวยิ้มซึมสานึกแล้วค่ะสั่งมาเลยจะให้ทาไง การสนทนาวกกลับมาที่เก่าเหมือนเดินอยู่ในเขาวงกตหรือทางกลนที่เหมือนก้าวไปข้างหน้าแต่กลายเป็นหวนคืนสู่จุดเริ่มต้นโดยไม่รู้ตัววังวนแห่งรักมักทำให้คิดแบบติดวนหาทางออกยากเสมอมาวันทาพยายามขัดท้ายพาน้องสาวออกจากเขาวงกตเต็มกําลังสติเธอต้องทำงานมีความสุขมีความเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่กลายเป็นใครอีกคนที่หลงทางอย่างนี้เราจะให้จ้าทางานอะไร วินาทีนั้นมาวันทาบังเกิดความแหน่หน่ายความเป็นเด็กเอาตัวไม่รอดของอีกฝ่ายขึ้นมาอย่างแรงในความเป็นนางฟ้าเดินดินลานดาวมีภาคหนึ่งที่เหมือนเด็กปัญญานิ่มอยู่จริงๆทําให้นึกเอื่อมระอาและแทบขอวางสายดือ้อแต่พอถอนใจระบายความอึดอัดไปเฮือกหนึ่งมาวันทาก็ฝืนตั้งสติใหม่และหันมาเริ่มใช้สมองจริงจังพยายามเค้นคิดถึงความสามารถทั้งหมดของน้องสาวมาประมวลหาความเป็นไปได้ เรากับต้องทําหน้าที่ปรับปรุงหุ่นยนต์คิดค้นโปรแกรมบังคับการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ออกจากจุดหยุดนิ่งให้จงได้เสียงถอนใจของมาวันทาทําให้ลานดาวรู้สึกตัวดึงจิตออกมาจากกลมของภาวะออดแอดแหล่อนเป็นประเภทกับลำหน่อยเดียวก็เปลี่ยนจากสภาพหมน่นมัวซึมเศรามาเป็นคมใสาตื่นเต็มได้ปุบ ป, ปับจะอยากเปลี่ยนหรือไม่อยากเปลี่ยนเท่านั้นรู้ว่าอีกฝ่ายกําลังใช้ความคิดก็จับคลื่นความคิดที่ดักรู้ได้นั้นไปเพลินเพลิ น, นชอบดูตอนมาวันทาคลุ่นคิด เหมือนเกิดสนามพลังก่อตัวเข้มข้นและคงรูปสม่ำเสมอไม่กระจัดกระจายกระเซน็สนสั้นตรับเท่าที่กระบวนการตรึกตรองยังไม่สิ้นสุดลานดาวสังเกตพบมาระยะหนึ่งแล้วว่าเวลาแต่ละคนคลุ้นคิดหรือคบปัญหาบางอย่างอยู่ไข่คลื่นที่แผ่ออกมาจากสมองจะผิดแปกแตกต่างกันไปตามบุคลิกและพื้นหลังมองย้อนไปในวันวานเมื่อคบกันใหม่ใหมาวันทามีคลื่นสมองกับคลื่นจิตที่ผลัดกันแสดงตัวเด่นยามเค้นความคิดคลื่นสมองจะอัดแน่น มองแล้วจะเห็นเหมือนมีกลุ่มพลังเข้มข้นซ้อนอยู่เบื้องหลังหน้าผากเคร่งแต่ยามเล่นดนตรีหรือสงบใจพักผ่อนคลื่นจิตจะแผ่นิ่งมองแล้วเหมือนทั้งตัวชายรัศมีจันทร์ยามเห็นเด่นเต็มดวงหากพื้นจิตใจเป็นคนโลเลจับจดฟูงง่ายคลื่นลมในหัวจะแปลปลวนง่ายเหมือนขี้เท่าโดนลมเป่าเอาจิตแตกเข้าไปแล้วเหมือนนั่งในเรือพายลำเล็กกลางท้องมาหาสมุทรใหญ่ไม่รู้ว่าคลื่นลมจะพัดพาไปทางใดบ้างลองลอยไปเรื่อยโดยไม่มีหลักประกันความปลอดภัยใดๆนั่นเป็นเหตุผลว่า ทำไมคุยโทรศัพท์กับพวกหนักฟุ้งนานๆแล้วจึงพลอยฟุ้งตามคนจําพวกนี้น่ารําคาญมากกว่าหน้าเข้าใกล้กับทั้งไม่ค่อยประทับอยู่ในความทรงจําของเพื่อนๆ เ, เท่าไร่เพราะขึ้นจิตไม่มีกําลังพอจะก่อโมโนภาพขึ้นในใจใครขนาดคุยทางโทรศัพท์แท้ๆพอนึกถึงใบหน้าของคนประเภทนี้แล้วจะรู้สึกโยเยซัดไปเซมาพล้าเลือนขาดความชัดเจนใดๆต่างจากคนที่มีพื้นจิตใจหนักแน่นซึ่งสามารถรวมศูนย์จ่ายความคิดเป็นระเบียบชัดเจนตามลําดับจากต้นชนปลาย คิดแล้วจบคิดแล้วสําเร็จคิดแล้วเกิดผลงานตามมาคลื่นสมองอันมีแหล่งกําเนิดอยู่ในโพรงกระโหลกจะมีความถี่สูงสัมผัสรู้สึกเหมือนกลุ่มหมอกอัดแน่นเป็นตัวเป็นตนคลื่นดังกล่าวในบางคนแผ่แรงเน้นหนักออกมาทางหน้าผากให้ความรู้สึกเคร่งเครียดในบางคนกระจายตัวสม่ําเสมอรอบศีรษะให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่และในบางคนเช่นหมอดูอุปการะจะมีสนามพลังความคิดที่สงบเป็นหนึ่งเดียวกันกับคลื่นจิตที่แผ่กว้าง ให้ความรู้สึกปลอดโปร่งเบาสบายทุกครั้งที่คุยกับอุปการะแม้ทางโทรศัพท์หล่อนจะแช่มชื่นเบิกบานเสมอหล่อนไม่เคยนึกถึงใครแล้วได้มโนภาพแจ่มชัดเท่าอุปการะเลยบางคนมีคลื่นจิตแบบเดียวก็ดูเป็นคนเรียบง่ายไม่ซับซ้อนแต่บางคนมีคลื่นจิตหลากหลายมิติพิสดารพันลึกก็มีกิริยาวาจาผิดแผกไปในวาระต่างๆทําให้คนใกล้ตัวสับสนว่าเป็นคนแบบไหนแน่ทั้งหลายทั้งปวงก็มารวมลงที่กรรมกรรมเป็นรากของคลื่นจิตชนิดต่างๆ สนใจฝักใฝ่ทางใดก็สั่งสมคลื่นจิตทางนั้นไว้ในตัวเหมือนเงาซ้อนๆติดตามวิญ ญ, ญาณไปทุกหนทุกแห่งฮันมาสังเกตเปรียบเทียบกับตนเองขณะนี้จิตหล่อนอยู่ในภาวะเด็กน้อยแม้สติคิดอ่านยังสมบูรณ์ก็มีลักษณะอ่อนแอเพราะขาดความเชื่อมัน่นขาดความรับผิดชอบรวมทั้งขาดศรัทธาพึ่งพา ก, กรรมของตนเองเหตุเพราะตระหนักชัดว่าตนกําลังมีลมหายใจอยู่ในเกมอะไรเกมหนึ่งที่น่าพรั่นพึงเหลือประมาณไม่มีใครบอกกฎแต่ห้ามเล่นพลาด ถ้าพลาดเมื่อไหร่จะถูกทำโทษในแบบที่ไม่อาจคาดเดาได้อะไรมาอย่างหนึ่งจะต้องเสียอะไรไปอย่างหนึ่งการรู้กฎแห่งกรรมเพียงครึ่งๆก ล, ล, ล, ลางๆทําให้สับสนยิ่งนักคืนข้างค่าหาความลงตัวไม่เจอไปเรื่อเช่นนี้มีหวังทุกสิ่งในชีวิตคงล้มคลืนอย่างต่อเนื่องคิดไม่ออกได้ยินเสียงมาวันทาบอกเช่นนั้นขณะเดียวกันก็แววเสียงสัญญาณโทรศัพท์ที่เพอรินดังขึ้นทางฝั่งพี่สาวแค่นี้ก่อนนะสงสัยพยาบาลตามตัวไว้คิดออกจะโทรมาบอกอีกที ค่ะพี่เอินขอบคุณมากมาวรรทาให้ฟังคำร่ำลาของน้องให้จบก็าวางสายเพื่อรีบไปรับโทรศัพท์อีกเครื่องลานดาวยิ้มเหงาเหงาวางกระบอกไร้สายลงกับที่นอนลุกขึ้นเดินด้วยความว้าวเวใจหนึ่งสั่งให้โทรกลับไปหาอมริตอีกใจหนึ่งก็ห้ามตัวเองไว้เพราะรู้สึกถึงภาวะเดียวดายภาวะต้องพึ่งพาภาวะที่จิตยื่นออกไปเกาะเกี่ยวคนอื่นไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วสังเวชในความอ่อนแอของตนคล้ายมาถึงจุดตกต่ำถึงขีดสุด นอกจากมาวันทาแล้วก็ไม่อยากให้ใครรับรู้ว่าหล่อนกำลังตกอยู่ในสภาพเช่นนี้เลยยามจิตใจหดหูซึมเศร้าคลื่นความคิดที่ถมเข้ามามีแต่แย่ๆทั้งนั้นแวบหนึ่งอยากเอามีดมากรีดข้อมือเล่นอีกแวบหนึ่งนึกอยากกลับไปมีสัมพันธ์แบบหญิงรักหญิงก็มาวันทาอีกครั้งตอนนี้มาวันทาเป็นอิสระแล้วอด อ, อ้อนเสียหน่อยคงยอมอยู่กับหล่อนง่ายขึ้น ยามจิตใจหดหูซ่ซึมเศราความคิดชั่วร้ายต่างๆนาน า, นาช่างมีพลังดึงดูดมหาศาลเหมือนหล่อนพร้อมจะเชื่อทุกความรู้สึกของตนเองคล้ายปีศาจทรงอํานาจอีกตนหนึ่งกําลังพยายามเข้าครอบงาําและบงการให้หันหน้ากระโดดลงนรกดนใจให้เห็นนรกหน้าพิสมัยกว่าโลกมนุษย์ยามจิตใจหดหูซ่ซึมเศราคล้ายทุกขนทางขับแคบและมืดมนลงถนัดบีบให้อึดอัดขับแน่นเคร็งเคลียดลานดาวบอกตัวเองว่าอยากกรีดร้องให้ดังที่สุด ละวินาทีนั้นก็เริ่มรู้สึกกลัวภาวะที่กำลังเป็นอยู่เพราะหากไม่ทำอะไรสักอย่างก็เหมือนปล่อยให้ทุกสิ่งคืบคลานเข้าใกล้จุดวิกฤตจนอาจเกิดศกนาตกรรมทางวิญญาณขึ้นในเร็วๆนี้มันเกิดขึ้นอีกครั้งเช่นเดียวกับความรู้สึกยามหนีทุกคนไปหัวหินด้วยความคิดสั้นความพรั่งพร้อมในชีวิตทั้งหลายหายหอนไปหมดเหลือแต่ความเกลียดตัวเองเกลียดการดำรงอยู่เกลียดทางตันรอบทิศเดินกลับไปกลับมาด้วยความพยายามรู้ท้าวกระทบ บางครั้งก็ลงนั่งหลับตาระลึกถึงลมหายใจเข้าออกแต่ก็ไม่ช่วยให้ทะเลความคิดที่ปั่นป่วนสงบลงเลยคล้ายการทํางานของสติและปัญญากลายเป็นอมพาสไปชั่วขณะหล่อนอยากขับไล่ความรู้สึกนึกคิดที่เลวร้ายทิ้งแต่ช่างเหมือนความรู้สึกนึกคิดเป็นศัตรูของตัวเองที่ไม่ยอมถอยทับไปง่ายๆสู้ทางไหนก็โดนตีกลับกระเจิงตลอดกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่ลานดาวยอมแพ้ทอดอะไรตายยากมายืนกอดอกแงวนหน้าดูดาวนอกหน้าต่าง ยอมรับว่าตนไม่มีกำลังพอจะขับไล่วความคิดฟุง้งซ่านสำเร็จจึงปล่อยเลยตามเลยสายตาทอดมองดาวส่วนใจย้อนมองพายุความคิดในตนเองไม่มีแก่ใจหลบหนีแล้วก็ไม่อยากหวังอยากคว้าใครหรืออะไรไว้เป็นสมบัติอีกต่อไปนาทีนั้นลานดาวกลับเกิดประสบการณ์แปลกประหลาดพายุความคิดฟุง้งซ่านที่พล่านระส่ำอยู่ในหัว กลายเป็นสิ่งถูกมองถูกรู้ถูกยอมรับแล้วไม่มีแรงส่งต่อจึงสแสดงความไม่เที่ยงให้เห็นคือดับเงียบหายหนนไปเฉยเยเหลือแต่อาการทอดมองดวงดาวบนฟ้าราตรีด้วยจิตใจสงบเงียบหญิงสาวเลิกคิวนิดหนึ่งอย่างฉงนอยู่กับตนเองเริ่มเห็นสัจจะทางใจประการหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความอยากเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์อยากได้คนรักก็เป็นทุกข์อยากหนีความฟุ้งซ่านก็เป็นทุกข์ พอหยุดอยากเพราะเหนื่อยเกินผันตัวเองมาเป็นผู้ดูความรักความฟุ้งซ่านแสดงสภาพตามจริงก็คล้ายเห็นอะไรอย่างหนึ่งปรากฏแล้วผ่านหายไปเองเพิ่งเข้าใจเดี๋ยวนี้เองว่าอมาริศสอนอะไรให้กลับมาวันทาในคืนทําพิธีสะกดจิตเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นลั่นดาวเดินไปควักกระบอกโทรศัพท์ขึ้นจากเตียงกดปุ่มรับสายแล้วกรอกเสียงลงไปทันทีสวัสดีค่ะพี่เอิญ น, นะคิดออกแล้วว่าจะให้เธอทําอะไรเหรอคะลั่นดาวยิ้มเหนื่อยใจกลับหดหูลงอีก เมื่อคิดว่าจะงานอะไรหล่อนก็คงทําได้เดี๋ยวเดียวตามเคยนี่เธอจะทดลองตามที่พี่คิดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่จะบอกไว้เป็นแนวมาวันทาพเพอิญพูดตรงกับใจเสียอีกแต่ลานดาวก็รับเป็นพิธีทดลองสิคะจะไม่ให้พี่เอิญเสียเวลาคิดเหนื่อยเปล่าหรอกรับรองบางทีเธออาจกําลังทําสิ่งที่ตัวเองถนัดทําได้ดีและทําให้ใครต่อใครรับประโยชน์อยู่แล้วนะเพียงแต่ยังไม่ตั้งมุมมองว่าจะหยุดเป็นอาชีพเท่านั้น ลานดาวก้มหน้าชายนิ้วชี้เขียเข่ยๆหัวคิ้วแก้คันพลางยิ้มกว้างขึ้นเข้าใจพูดให้อยากรู้นะคะอาชีพอะไรละ่ะนักเขียนยิงสาวหุบยิ้มทันทีเปลี่ยนเป็นร้องดังๆไว้อย่าเพิ่งวิดไว้นี่พูดจริงๆถึงเธอจะไม่ใช่นักอ่านตัวยงแต่ก็ผ่านประสบการณ์สารพัดชนิดมามากแล้วก็มีสัมนวนเข้าขั้นทําให้อ่านแล้วติดใจได้และความจริงเราก็มีงานที่พร้อมจะเป็นหนังสือเล่มแรกอยู่ในมือชนิดออกวางตลาดแล้วคนอ่านน่าจะตอบรับพอสมควร เป็นการดีที่จะเรียกความมั่นใจให้เกิดขึ้นตั้งแต่ก้าวแรกเกี่ยวกับอะไรคะตำราทําอาหารหรือตําราเล่นเปียโ น, โนไม่ใช่เธอจะเป็นเจ้าของหนังสือคู่มือนักฆ่าตัวตายต่างหากลานดาวลืมตาโตพูดเล่นอะไม่เล่นพูดจริงๆเธอเป็นคนคิดเองนะชื่อเว็บของเราคู่มือนักฆ่าตัวตายทุกวันนี้วัยรุ่นหลายคนเข้าเว็บก็พร้อยอยากคุยกับเธอและเหตุจูงใจจะเป็นอะไรถ้าไม่ใช่ลีลาเขียนที่เราใจพอว่าที่นักเขียนสาวหัวร้องกร่อย ยังไม่มีใครมาบอกสักคนเลยพี่เอิญว่าลมเลิกความตั้งใจค่าตัวตายเพราะจ๊ะจะว่าจ๊ะทําไม่ได้หรอกค่ะข้อมูลทั้งหลายแหล่ก็มาจากการค้นคว้าของพี่เอิญประกอบกับการถามไทยอาจารย์ของพี่เอิญทั้งนั้นจะเข้ามาแจมมั่วไปเรื่อยเคียนเคียนอะไรไปอย่างนั้นเองฟังพี่ก่อนพี่มีแผนการตลาดอยู่นะรับรองว่าถ้าทําตามนี้ต้องติดอันดับขายดีแน่นอนลานดาวย่นคิวนิดๆใจหนึ่งคึกตามอีกใจหนึ่งค้านแบบปิดประตูศรัทธา หนังสือแนวนี้ยากนักจะมีใครซื้อหาไปอ่านโดยเฉพาะถ้าเป็นพวกอยาก่าตัวตายจริงๆต่อให้เอาข้อมูลใส่พานประเขนก็ไม่อยากรับแต่เพื่อไม่ให้มาวันทาเสียน้ำใจก็จำต้องถามไถ่ายตามเพลงบอกสิคะแผนการตลาดยังไงก่อนอื่นเธอนึกภาพตามนะรับฟังอย่างเดียวห้ามค้านห้ามสอดแทรกห้ามอุทานใดๆเมื่อมาวนทาทาเสียงเหมือนสั่งแบบเผด็จการลานดาวก็เบะยิ้มแลบลิ้นหลอกใส่กระบอกโทรศัพท์ เสร็จแล้วเปลี่ยนเป็นอมยิ้มรับปากเสียงอ่อนเสียงหวานค่ะพี่เอิญเริ่มจากที่เว็บไซต์ของเราก่อนเราจะทําภาพรายละเอียดดีๆในชีวิตประจําวันของเธอเอาไปลงหน้าแรกลงสัก20รูปให้ช่าใจหนุ่มหนุมสาวสา ว, สาวที่เรียกร้องอยากเห็นหน้าเธอกันมานานโอ้ยลันดาวร้องเหมือนโดนเศษแก้วบาดเข้าที่กลางฝาา่าเท้าสมาธิตแตกกระจายมาวันทาถึงกับต้องแยกโทรศัพท์ห่างหูชั่วคราวบอกแล้วว่าห้ามอุทานจะฟังต่อให้จบก่อนไหมไม่เอาอะ เกิดมาไม่เคยประพฤติตนเป็นบุคคลไร้ย่างอ่ายเยี่ยงนั้นยืนกลางแบบตัดสินใจหัวเด็ดตินขาดอย่างไรก็ไม่เอาด้วยแน่นอนฟังก่อนซีแม้มาวันทาคลางอย่างเริ่มอ่อนใจลันดาวเห็นพี่สาวเริ่มเสียน้ำใจก็สงสารให้โอกาสพูดค่ะฟังก็ได้การลงรูปเนี่ยถ้าลงเฉยเฉยไม่น่าสนใจหรอก แค่รูปสองรูปเดี๋ยวนี้หาดูนางแบบสวยๆระดับเธอจากไหนก็ได้แต่ที่จะดึงดูดให้อยากรู้คือเราถ่ายรูปเธอแบบที่เป็นตัวของตัวเองในระหว่างวันซึ่งบนเน็ตก็ฮิตกันพอสมควรเธอคงเคยเจอมาบ้างเอออาจเริ่มต้นรูปแรกด้วยท่านั่งบนเตียงในห้องนอนจากนั้นเข้าครัวปรุงอาหารสูตรเด็ดโชว์ตั้งแต่เริ่มทําจนเป็นจานแล้วจากห้องครัวมานั่งทานจานโปรดฝีมือตัวเองเสร็จแล้วย้ายมานั่งเล่นเปีย โ, โนเป็นการย่อยอาหาร จากนั้นอาจจัดฉากอวดช่อดอกไม้วันวาเลนไทน์เต็มห้องแล้วแต่งชุดกีฬาธรรมัดถมงไปนั่งชูคอในบอรถสปอร์ตบีเป้ายแดงคันใหม่ของเธอเอาแบบเปิดประตูหันมาหลิวตาให้กล้องเห็นฉากหลังเป็นเขาฤาษีหรูของพ่อเธอด้วยเออเฮ้ยลั่นดาวลากเสียงคลางยาวอย่างสุดสนเทพี่เอิญคิดได้ไงวิธีทําให้ชาวบ้านเกลียดขี้หน้าภายในเวลาอันสั้นขนาดจ้าฟังยังหมั่นไส้ตัวเองเลยเนี่ยทาไมล่ะมันเป็นชีวิตจริงๆของเธอนี่ พี่เอิญเคยสอนใจให้รู้จักสงบเสงี่ยมเจียมตนแต่มาวันนี้ยุให้ทำอะไรแผลงๆเหมือนอวดปมเขื่องให้ชาวบ้านเขารังเกียจไงทำเงี้ยมาวันทาหัวเราะอ่อนเอื่อยนาไว้ใจพี่ซีพี่ยังไม่ขยายไอเดียจนจบเลยลานดาวถอนใจเฮือกพิษหวงพี่สาวจนหัวเราะเอาเลยค่ะยังมีทีเด็ดต่ออีกว่ามาเลยแต่และรูปเธอต้องเขียนบรรยายอะไรสั้นๆน่ารักน่ารักทําให้คนเขารู้สึกว่าเธอมีความสุขกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ เธอมีคนรักมากมายเป็นมิตรกับทุกคนแล้วเรื่องดีๆให้หมดเพื่อมาลงเอ่ยที่รูปสุดท้ายถามคนอ่านว่าเชื่อไหมจะเคยอยากตายมาก่อนประโยคสุดท้ายสะกดให้ลานดาวสะดุดกึกหน่วยตาเบิกขึ้นเล็กน้อยรอยยิ้มขบขันเลือนลงเพราะประโยคเด็ดนั้นมีพลังประทะแม้กับหลอนเองในยามนี้ที่เพิ่งผ่านภาวะหดหูแทบอยากดับชีพตนเองไปสดสดร้อนรอนมาวันถาทราบว่าน้องสาวเริ่มสนใจก็พูดต่ อ, อยางมีสมาธิมากขึ้น หนในสามเพลงที่เธอแต่งให้กับเว็บฆ่าตัวตายของเราพี่ว่าฟังเพลาะและติดหูง่ายเราควรจะส่งไปให้ดีเจรายการวิทยุสักแห่งเชื่อเถอะว่าคนฟังจะต้องร้องขอให้เปิดอีกกันเซ็งแซ่ถ้าวานเขาช่วยโฆษณาว่าอยากฟังอีกให้มาฟังที่ไซด์ของเราเท่านี้เธอจะมีแฟนเพิ่มอีกเยอะพอเช็คเรตติ้งว่าถึงจุดยอดนิยมระดับหนึ่งแล้วก็ออกหนังสือพร้อมซีดีเพลงแถมล้านดาวกระพริบตาปริบๆให้ตายเถอะแพทย์หญิงมาวันทาเป็นนักการตลาดกับเขาได้จริงๆ ถ้าทางไม่เร็วนะคะแต่จ้าอายเพื่อนอะฮือถ้าพวกมันมาดูกันจ้าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนทำแต่เรื่องดีๆขายแต่รูปสวยๆมันน่าอายตรงไหนฮืที่ตอนคิดเป็นนักร้องไม่ยิ่งต้องโชว์ตัวกว่านี้เป็นพันเท่าหรือแล้วอายแค่นี้กับให้พวกเขารู้ว่าเธอไรน้ายากำลังตกงานทอดห่ยอยู่กับบ้านเฉยๆอันไหนหน้าขายหน้ากว่ากันเออนอกจากไอเดียโฆษณาดีแล้วยังหวานล้อมตลอมหลอกเก่งอีกด้วยพี่หมอคนสวยของเรา เอ๊พูดยังไงนี่ตะล่อมหลอกพี่อุตส่าห์คิดให้เธอเป็นผลประโยชน์ของเธอล้วนๆนะพอเห็นพี่สาวเริ่มเคืองลันดาวก็โอโโธโธอย่าน้อยใจสิคะจะชักเริ่มเห็นดีคล้อยตามพี่เอิญแล้วต่างหากนี่ถ้าเกิดดังขึ้นมาก็ต้องขอมอบความดีทั้งหมดให้กับพี่เอิญคนเดียวเลยพอน้องสาวแสดงท่าว่าจะรับปฏิบัติตามมาวันทาก็ทาเสียงรื่นขึ้นเพราะเห็นประโยชน์ใหญ่ในวงกว้างที่จะตามมา เธอจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นภาพความจริงที่ทําให้อีกหลายต่อหลายคนสะดุดคิดชีวิตเธอที่เขาเห็นว่ามีทุกสิ่งพรั่งพร้อมอย่างน่าอิจฉาอาจเป็นเพียงภาพลวงตาที่ซ่อนทุกมหันต์ไว้เช่นเดียวกับมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายหลายๆคนอาจเลิกฝันที่จะมีความสุขสําเร็จรูปเลิกอยากมีพ่อแม่อย่างนั้นเลิกอยากมีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้แต่จะสแสวงหาความสุขอันเกิดจากกรรมที่ประกอบไว้ดีแล้วในปัจจุบันถ้าเธอเขียนตรงนี้ดีๆสอดแทรกประสบการณ์เอาชนะทุก ข, ของตัวเองไว้บ้างเป็นแนวนํา พี่เชื่อว่าหลายคนที่กำลังคิดฆ่าตัวตายน่าจะรอดได้นะไอ้ต้องเล่าเรื่องส่วนตัวด้วยเอาแค่คร่าวๆไงไม่ต้องเล่าละเอียดหรอกเพราะนั่นไม่ใช่จุดขายของหนังสืออย่างพูดเรื่องผิดหวังจากความรักก็เจาะเฉพาะอารมณ์อันเนื่ยนายของตัวเองแบบคนอกหักทั่วไปไม่ต้องเจรนายประวัติตัวเองเอพี่เอิญจ้าเคยอกหักด้วยเหรอสเสนจ้าหย่อนกำลังลงตั้งแต่เมื่อไหรนะ่น่ะจำไม่ได้เลย มาวนทาปลายตามาทางด้านที่มือตนถือโทรศัพท์คลายใช้หางตาเหละมองตัวจริงของลานดาวเอาเป็นว่าเคยประสบกับความไม่สมหวังในชีวิตก็แล้วกันเธอหน่าเป็นเพื่อนกับคนอ่านหน่อยเธอไม่เคยทุกข์ไม่เคยผิดหวังไม่เคยต้องเสียใจกับอะไรอะไรในโลกแล้วจะอยากตายได้ยังไงเอาแรงดนใจที่ไหนมาเขียนคู่มือนักฆ่าตัวตายลานดาวคิดๆแล้วยอมหย่วนการอยากตายไม่ใช่เรื่องเสียหายทุกคนเคยผ่านความรู้สึกอยากหนีหายไปพน้พนพจากโลกกันทั้งนั้น เขียน ด, ดีก็คงไม่เสียฟอร์มนักเดี๋ยววานพี่แตรามาเป็นตากล้องดีกว่าพี่เอินคอยเป็นผู้กำกับนะคะไอเดียดีนักนี่